อาสีสันอย่างหนึ่งของธรรมยาตรานะก็คือการที่มีเด็กตัวเล็กๆนะมาร่วมเดินด้วยมีเด็กคนหนึ่งนะผู้ชายชื่อโอโซนก็มาเดินกับพวกเราทุกปีแต่ว่ามาเดินเป็นช่วงๆก็มาเดินตั้งแต่ อายุห้าหกขวบนั่นก็คือประมาณเริ่มเดินตั้งแต่สี่ห้าปีที่แล้วเวลาเดินก็จะมาเดินข้างหน้ากับพระนะแต่ว่าไม่ได้เดินตลอดเป็นช่วงๆพ่อแม่ก็ขับรถพามา มาจ่อนไว้กับธรรมญาตาแล้วก็ไปทำงานแล้วก็ตอนเย็นก็มารับกลับนะแล้วพ่อก็ทำงานอยู่แถวเนี้ยน ะ, ะหน่วยต้นน้ำหน่วยจัด ก, การต้นน้ำนะซึ่งเราก็จะแวะผ่านไปจะไปพักอีกสักสองสองวันข้างหน้า สี่ปีที่แล้วมังเราเดินมาถึงบ้านป่าศักนะใกล้ๆท่ามาไฟหวานนั่นคือกลางทางนะเพราะว่าจุดหมาไม่ได้อยู่ที่ปะตูเขาทองแดก่ก็ร้อนนะพอถึงจุดพักก็มีโยมเขาเอาขนมมาแล้วก็น้ำ เรียกมาเป็นรถเลยนะทั้งน้ำทั้งขนมเป็นรถเลย โ, โยมก็มีความสุขใหญ่เขากม็มาถวายพระแต่โอโซนี่ไม่ไปไม่ไปเรียกว่าไม่สนใจเลยนะกับอของที่โยมพามาถวายก็มานั่งกับพระ น้ำเนิ่มอะไรก็โอโซนก็ไม่กินขนมก็ไม่แตะพระก็เลยถามว่าโ อ, อโซนไม่กินเหรอเแกก็บอกผมกําลังฝึกความอดทนครับแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้ผมจะถอดหมวกครับ <c oughs> แล้วก็กถอดหมวกจริงนะเขาเข้าใจนะว่าธรรมญาตาเนี่ย มีไว้เพื่ออะไรอันนี้ก็เป็นที่จริงจะว่าไปมันก็ไม่ใช่แค่สีสันนะมันเป็นมันให้ง่ายคิดแล้วก็กระตุ้นเตือนแล้วก็แรงบันดาลใจด้วยบางทีเราก็ได้แรงบันดานใจจากเด็กเล็กๆนี่แหล ะ, ะซึ่ง ก็มีให้กับพวกเราทุกปีปีนี้ก็เหมือนกันมีเด็กเล็กมาเดินกันหลายคน่สิ่งที่โอโซนเขานะบอกกับพระนี่ว่าผมมาฝึกความอดทนครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งของธรรมญาตราเราจะฝึกความอดทนแต่ก็ต้องมาเจอกับความยากลำบาก แต่ที่จริงแล้วธรรมยาราเนี่ยฝึกมากไปก่อนนั้นนะไม่ใช่แค่ฝึกความอดทนแต่ว่าฝึกว่าทำยังไงเราถึงจะไม่รู้สึกจะเป็นต้องทนเมื่อเจอความยากลาบากอดทนนี่มันเหมือนกับว่ายังต้องกล้าเกินศูนทนอยู่แต่ว่ามันมีมันมีสิ่งที่เราทำได้มากกว่า น, นั้น ก็คือไม่ต้องทนนะเพียงแค่วางเท่านั้นแหละมันเหมือนกับเราเมื่อก็นักยกน้ําหนักกันนะนักยกน้ําหนักนี่ก็ต้องใช้ความอดทนมากในการที่จะยกน้ําหนักนะหลายสิบกิโลทนได้มาเท่าไหร่อึดได้มากเท่าไหร่ก็ยกได้มาเท่านั้นแต่ว่า มันมีการฝึกอีกแบบหนึ่งคือว่าไม่ต้องยกเลยวางพอวางนี่ก็สบายไม่ต้องไม่ต้องอดไม่ต้องทนอะไรทั้งสิน้นอันนี้ก็อาศัยสตินะขันตินี่ต้องใช้ความความอดทนนี่เรียกว่าขันติแต่ว่าสติเนี่ยมันก้าวไปอขั้นหนึ่งหรือว่าเข้าไปเสริมกันก็คือวาง สติช่วยทำให้วางได้วางอะไรก็วางความคิดและอารมณ์ความรู้สึกโดยเพราะที่มันเป็นอกุศลที่บัทอรจิตใจหรือว่าเผาลนจิตใจหรือว่ากรีดแทงจิตใจนะมันมันมากันหลายแบบแล้วก็มันทำร้ายเรา ในหลายลักษณะนะอันหนึ่งที่จะมารบกวนแล้วคือความเจ็บความปวดความเมื่อยนะหลายคนก็จะมาฝึกความอดทนนะจากการเดินเพราะว่ามันเจ็บมันปวดมันเมื่อยแล้วมันยังมีความหิวมีความกระหายอีกยังไมไ่พูดถึงความร้อนนะ อันนี้เป็นอารมณ์หรือว่าประสบการณ์หลักๆที่เกิดขึ้น ก, กับชาวธรรมยัตราการที่จะผ่านมันไปได้เนี่ยก็ต้องอาศัยความอดทนแต่ว่าสิ่งที่จะช่วยได้อย่างนี้นคือว่าการที่ใจเราเนี่ยไม่ไปยึดนะกับสิ่งเหล่านั้น บางทีเราเดินไปเราก็ติดยึดกับความคิดความคิดที่อยากให้ถึงเร็วๆ เ, เรามีความคาดหวังว่าอยากจะให้ถึงที่หมายภายในเวลาไม่กี่นาทีเราก็ยึดมันเอาไว้แล้วพอมันไม่เป็นดั่งใจเราก็ทุกข์หรือเวลามีความหงุดหงิด เราไม่สังเกตหรอกว่าตอนนั้นในใจเรากําลังปักตึงหรือว่ายึดติดอยู่กับความหงุดหงิดนั้นเอาไว้ทั้งที่ยึดเอาไว้นี่มันก็หรือแบกเอาไว้นี่มันก็ทุกข์นะแต่ที่เราทําอย่างนั้นเพราะเราไม่รู้ตัวความเจ็บก็เหมือนกันความปวดความร้อนก็เหมือนกันมันเกิดขึ้นที่กายแล้วทาให้เกิดเวทนาเรียกว่าทุกขเวทนา แต่คนส่วนใหญ่ก็ไปจมอยู่ในทุกขเวทนานั้นจมอยู่ในความปวดจิตปักเตืงอยู่กับร่างกายส่วนที่ปวดไอ้ส่วนที่ดีๆส่วนที่ไม่ปวดนี้ไม่สนใจเนะก็ไปปักเตืงอยู่ขงที่ปวดหรือแม้แต่ตอนนี้หลายคนรู้สึกหนาวมันก็มีบางส่วนที่แค่หนาวมีแค่บางส่วนที่หนาวแต่ว่าส่วนอื่นก็โดยเฉพาะส่วนที่อยู่ในเสื้อผ้าเราก็ไม่หนาวุ่น จจแต่ใจเราก็ไปจดจอปักตึงอยู่ตรงไอ้ส่วนที่มันหนาวนี่แหละจะเป็นใบหน้าจะเป็นมือหรือแขนก็นแล้วแต่แล้วพอเราไปปักตึงตรงนั้นมันก็ยิ่งยิ่งทุกมากขึ้นนะอันนี้เราแบกเอาไว้เรื่องนี้เรยว่ายึดนะแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันนะมันจะวางมันจะวางนะใจก็ยังเป็นปกติได้ นะกายมันจะหนาวกายมันจะเจ็บจะปวดจะเมื่อยยังไงนั่นก็เป็นเรื่องของกายไปนะแต่ว่าใจปกติเพราะว่ามันวางมัน ก, กัก้อนหินนะนะถ้าเราแ บ, บมก็หนักถ้าเราจะไปคาดหวังให้ก้อนหินมันกลายเป็นนุ่นก็ทําไม่ได้สิ่งที่เราทําได้คือวางแต่ว่าคนจํานวนมากไม่รู้จักวางนะก็ยังแบมบ แต่ว่าสายความอึดความทนเรียกว่ากัดฟันนะถ้ามันมีวิธีที่ดีมากกว่าการความอึดความทนนะก็คือการวางาลงมันลงซะอันนี้ก็เป็นบทเรียนหรือประสบการณ์ที่เราสามารถจะฝึกได้จากธรรมญาตตราคของแบบนี้นี่มันจะคิดเอาไม่ได้นะ อยู่ในห้องแอรคิดเอาอยู่ในบ้านแล้วคิดเอาไม่ได้มันต้องมาเจอของจริงก็เจอก็คือเจอความทุกข์เจอความปวดความเมื่อยแล้องสังเกต ด, ดูใจว่าใจเราเป็นอย่างไรมันสังเกต ด, ดูใจของเรา บ, าบา่อยๆนะแต่ไม่ต้องเป็นดักไปจ้องมันนะความคิดเสี่ยงไม่เกิดก็ไม่ต้องเป็นดักไปจ้องไม่ต้องเป็นดักมันน มันเกิดขึ้นแล้วค่อยรู้ทันรู้แล้วก็ใช้สติเนี่ยแหละนะไอ้ความรู้ทันเนี่ยคือรู้ด้วยสติมันก็จะวางลงได้แต่วางได้ไปเดียวเดียวเดี๋ยวก็ไปแบกมาใหม่หรือไปปักตึงอยู่ใหม่ใหรือไม่ก็ไปไหลไปอดีตลอยไปอนาคตอีกเป็นอย่างนี้อ่ะบ่อยๆเพราะว่าสติของเรามันมันไม่ค่อยมีกําลังนะแต่ถ้าเราทําบ่อยๆทาบ่อยๆสติเราก็มีกําลังเหมือนกับ มันกัร่างกายเราถ้า อ, ออกกาลังกายบ่อยๆมันก็จะวิ่งได้เร็วแต่ถ้าไม่ออกกําลังกายหรมก็วิ่งได้ช้าหรือวิ่งได้ไม่นานก็เหนื่อยจากคนที่ฝึกวิ่งบ่อยๆนะสามารถจะวิ่งได้เป็นชั่วโมงๆหรือวิ่งได้เร็วกําลังสติก็เหมือนกันนะต้องอาศัยการฝึกฝึกจากการหมั่นดูหมั่นสังเกตแล้วถ้ามันรู้มันก็จะวางเอง เพราะที่ไปยึดเพราะเนื่องจากไม่รู้ตัวอันนี้ก็เป็นเป็นแบบฝึกหัดนะที่อยากจะช่วยพวกเราได้ทดลองทําดูนะระหว่างเดินธรรมยาตรามันไม่ใช่ของฟุ้งเฟือมันเป็นของจริงมันเป็นของที่จะช่วยทําให้เราอยู่รอดปลอดภัยได้ถ้าเราอยู่ที่บ้านสบายๆเนี่ยเราก็อาจจะไม่ค่อยเห็นความสํำคัญของสติเพราะมันไม่ทุกไม่ร้อนอะไรแต่ตอนนี้เรา มาเจอความทุกข์ความร้อนความปวดความเมื่อยมันจะบีบบังคับให้เราต้องหันมาพึ่งพาสติหันมาเลือกใช้งานของสติหรือก็เห็นความสำคัญของสตินะเพราะถ้าไม่มีมันเราก็แย่แย่ทั้งกายแย่ทั้งใจสมาธิก็เหมือนกันนะเอามาใช้ระหว่างที่เดินปวดก็ลองนะบริกรรม มันปวดเท้าก็ลองมากําหนดที่ลมหายใจหายใจเขาเพื่อหายใจออกโทรหรือว่ารู้สึกเฉยๆเอาใจเนี่ยมาเป็นเป็ น, เ, ปน เ, อเอาลมหายใจเป็นที่พึ่งของใจไม่เพื่อไม่ให้มั น, นยมันไปจดจ่อปักตึงหลบเท้าที่ปวดนะเพราะถ้าเราไม่มีที่เกาะถ้าใจมีที่เกาะใจมันก็จะพุ่งเข้าไป ไปแบกเอาความเจ็บความปวดทั้งที่มันทุกข์นะแต่ก็แบกคนเราเนี่ยยึดติดอยู่ยึดติดหรือแบกของสองอย่างนะซึ่งตรงข้างกันเลยอันแรกคือไปยึดติดความสุขความสบายความอร่อยสิ่งที่ให้ความสุขกับเรารวมทั้งคนรักนะทรัพย์สมบัติโทรศัพท์รถยนต์อันนี้ก็ยึดติด อีกอันหนึ่งก็คือยึดติดในสิ่งที่ให้ความทุกข์กับเราเช่นความเศร้าความโกรธความเจ็บความปวดนี่แปลกนะทั้งที่มันให้ความทุกข์กับเราเราก็ยึดเราก็ติดคนเวลาโกรธนี่ไม่ค่อยอยากจะให้อภัยใครเวลาเศร้าก็อยากจมอยู่ในความเศร้าเพื่อนชวนไปเที่ยวก็ไม่ไปนะเวลาเจ็บเวลาปวดใจมันก็ปักอยู่งั้นแหละ อันนี้เราแบกนะเราแบกหินแล้วเราก็เป็นทุกข์เราเหนื่อยแล้วเราก็โทษก้อนหินว่ามันหนักมันหนักมันหนักแต่เราไม่ได้ถามตัวเองว่าเราแบกมันทําไมหินหนักแค่ไหนถ้าไม่แบกมันเราก็ไม่ทุกขนะ์แต่พอเราไปแบกมัน แล้วก็ไม่ยอมวางด้วยเรามาฝึกนะมาฝึกดูนะฝึกดูใจเพื่อจะเห็นธรรมชาติของใจเราว่าโอ๊เนี่ยเราทุกข์นี่เพราะแบบนะไม่ไดทุกเพราะสิ่งภายนอกเสียงมันจะดังแค่ไหนถ้าเราไม่ไปสนใจมันเราก็ไม่ทุกขนะ์แต่เพราะเราไปสนใจไปปักตึงกับเสียงนั้น ที่วัดหนงวัดของหลวงพ่อชาหนองปราพงเนี่ยมันก็มีเรื่องราวว่าสักสามสิ ก, กปีก่อนซอยหลวงพ่อหลวงพ่อชายังมีชีวิตอยู่ชาวบ้านนี่เขาจัดงานศพก็มีมารอศพกันทั้งวันทั้งคืนเลย เครื่องกระจายเสียงนี่ก็แผดเสียงมาเต็มที่ไม่ใช่แค่ในทั่วทั้งหมู่บ้านแต่มาถึงวัดซึ่งก็อยู่ห่างแค่กิโลเดียวก็ปรกฏว่าพระนี่นอนไม่หลับเลยเสียงดังมากทั้งหนังกลางแปลงทั้งเสียงเพลงแล้วก็หมอลำอ่าเงี้ยพระก็ไปบอกให้ ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยช่วยสงเคราะห์พระหน่อยนะก็คือหมอโสกก็ทำอย่างตีหนึ่งก็แล้วกันนะให้พระได้มีวลานอนสองชั่วโมงพะตีสาต้องมาทำวัดเช้าชาวบ้านก็ไม่ยอมพระเลยไม่มีที่พึ่องอื่นต้ก็ต้องไปขอหลวงพ่อชาให้ช่วยไปบอกชาวบ้านนะพราะคิดว่าหลวงพ่อชาเนี่ย คงจะไม่เห็นด้วยหรอกที่ชาวบ้านมนาะส่งสนานกันแบบนี้รบกวนผู้อื่นผิดท่านะเพราะผิดท่าพระองค์ข้อช้าท่านะบอกว่าเนี่ยถ้าไม่ไปท่านก็บอกว่าเสียงไม่ได้รบกวนท่านเสียงไม่ได้รบกวนพวกท่านนะพวกท่านต่างหากที่ไปรบกวนเสียงนะเสียงก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละนะอันนี้ขยายความเสียงก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละ แต่ว่าได้ยินก็ไม่เป็นอะไรแต่ส่วนใหญ่เนี่ไปสู้รบตบมือกับเสียงนั้นไปทะเลาะบบาแหวงกับเสียงนั้นใจของเราเนี่ยไปทะเลาะบบาแหวงกับเสียงดังจริงโว้ยเสียงมันดังจริงโว้ยยงมนหยุดได้ทักทีนะไปรวมลาพันตัวกับเสียงนัไปกดคมไปเป็นปฏิปักษ์กับเสียงนั้นนะ่ทุกข์เพราะใจนะไม่ใช่ทุกข์เพราะเสียง น, นี่เราไม่สังเกตใจเราเราก็ไม่เห็นแต่ถ้าเราสังเกตใจเราแล้วให้ใจงเราเนี่ยเลิกทะเละาะเบอแวงกระเสียงนั้นเอาใจเราไม่ไปทะเลาะบบาแวงกระเสียงนั้นความสงบก็กลับคืนมาสู่จิตใจของเราแม้รอบตัวมันจะดังกระหึมมอเดินธรรมิาตาวันี้อากาศร้อนนะ แต่ว่าใจเราเย็นก็ได้นะแม้ว่ามันจะมีสิ่งรบ ก, กวนรอบตัวเราสิ่งมาแดดมาแผดเผากายเราหรือว่าของแหลมที่มันทิ่มแทงเท้าเราหรือไม่แต่รองเท้าคู่เก่งราคาแพงนะมันก็กลับมากัดเรา อันนี้มันเป็นธรรมดาแต่ว่าให้เราลองรักษาใจเราด้วยนะอย่าเพียงแค่รักษากายเท่านั้นลองรักษาใจเราให้ไม่ทุกข์นะแม้ว่ากายมันจะทุกข์เพราะแดดเพราะลมหรือว่าเพราะสัมภาระรองเท้าหรือว่ากรวดหิน ลองทาดูทาเท่าที่ทําได้เรามาเดินเพื่อช่วยให้ไทยให้โลกหายร้อนเพื่อให้แผ่นดินไทยหรือว่าลำปะาทาวชุ่มเย็นก็อย่าลืมนะทใจเราให้ชุ่มเย็นด้วยนะอย่าไปเพ่งแค่พลิก พื้นทายหรือลำปะทาวให้ชุ่มเย็นเท่านั้นให้พริกใจเราให้ชุ่มเย็นไปพร้อมๆกันอันนี้เรียกว่าทำกิจและทำจิตทำกิจก็คือทำหน้าที่นะทำประโยชน์กับส่วนรวมอันนี้ก็เป็นกิจเป็นหน้าที่ของเราคนไทยคนโลกทำกิจต่อประเทศทำกิจต่อโลก แต่ก็อย่าลืมทำจิตนะพุทธศาสนาจะสอนให้ทําไปสองอย่างพร้อมๆกันพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ทำใจอย่างเดียวนะแต่สอนให้ทำทากิจทาหน้าที่ด้วยทำจิตทำใจก็ทำได้หลายอย่างนะเช่นฝึกใจให้มีเมตตากรุณามุทิตาอุบเบกขานะ เมตตาก็คือปรารถนาให้เขามีความสุขกรุณาคืออยากจะช่วยเขาพ้นทุกข์หรือว่าปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์ุ้ติตาเขาได้ดีแล้วก็ดีใจไม่อิจฉามุแปลกขาคือว่าทําเต็มที่แล้วทํามากไปกว่านั้นก็จะเกิดผลเสียก็หยุดซะวางหรือว่าปล่อยวางหรือว่ามันทําต่อไม่ได้แล้ว ช่วยได้เต็มที่เท่านี้ก็มีอุเบกขาซะนันนี้เป็นเรื่องการวางใจแต่ว่าท่านก็สอนว่าวางใจหรือทำจิตงไม่พอต้องทำกิจ ด, ด้วยเช่นให้ทานนะพูดให้กำลังใจเลื่อปิยะวาจาแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยแรงกายให้เวลา เรียก ว, ว่าอัตจริยาหรือจิตอาสาแล้วก็ปฏิบัติกับเขานะเสมอบาสมอไหลหรือ ว, ว่าครบอย่างาเสมอต้นเสมอปลายนี่เรียวกวสมานตตาตาเมตตากรุณามุทธเต๋าเบคขานี่เป็นทรรมจิตเรียก ว, ว่าพรหมวิหารธรรมส่วนทานปิยาวจาจาจริยาสมานตตาตานี่เรียกว่าเป็นการทากิจนะ มวลนิรวัตสังขวะวัตถุสีนะถ้าเอาแต่เมตตาอย่างเดียวนะไม่ไม่รู้จักให้ทานไม่รู้จักให้กำลังใจด้วยคําพูดหรือว่าไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยกําลังกายอันนี้เราว่ายัางทําไม่ครบถ้วนให้เรามาธรรมยานตานี้ก็ให้ทําครบถ้วนทั้งสองอย่างนะบางคนก็อยากจะมา มาเพื่ออยากช่วยเหลือสิงแวดล้อมนะรักโลกมากรักธรรมชาติมากอันนี้ดีแล้วแต่ว่ามาแล้วก็อย่าลืมทำจิตด้วยนะอย่าโม่แต่กู้โลกอย่างเดียวจนลืมกู้ใจใจมันทุกข์ใจมันเหมือนกับอยู่ในนรกแล้วนะเพราะร้อนเพราะปวดนะกู้ใจขึ้นมานะอยากจะพลิกฟื้นลาบากทารุปนั้นลำบากทารให้มันชุ่มเย็นหาย ร้อนแรงนะอันนี้ดีแล้วแต่ว่าก็อย่าลืมนะทำใจของเราให้ชุ่มเย็นให้สงบเย็นด้วยนะส่วนบางคนก็มาเพราะอยากปฏิบัติธรรมนะก็นั่นนี้เรียกว่ามาเพราะต้องการมาทำจิตก็อย่าลืมนะให้เราทำกิจ ด, ด้วยก็คือว่ามา ด้วยจิตสํานึกที่อยากจะช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมแล้วก็พร้อมที่จะช่วยนะให้มันดีขึ้นแม้จะเป็นแม้จะในระหว่างธรรมยาตราก็กตามนะเช่นช่วยกําจัดเก็บขยะอะไรต่างๆที่เป็นต้นนะอาจารพุทธทาสันเพว่าชีวิตที่ดีเนี่ยคือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์นะ สงบเย็นและเป็นประโยชน์สงบเย็นนีคือการทําจิตนั่นแหละเป็นประโยชน์คือการทําหน้าที่การทํากิจอันนี้เป็นคำสองคานี้เป็นเรียกว่ากินความกินเก็บความหรือว่าเก็บสาระของชีวิตได้อย่างกระชับและครบถ้วนมากถึงมมมาของชีวิตของคนเรานะ โดยเพราะในธนานะชาวพุทคือทำให้ชีวิตจิตใจสงบเย็น่าเดียวกันก็บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อประเทศชาติต่อาศาสนาต่อโลกนะจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เอาแต่สงบเย็นก็จะกลายเป็นเห็นแก่ตัวไปมัน ต, ต้องทำโดยเป็นประโยชน์ด้วยเป็นประโยชน์อย่างเดียว แต่ว่าไม่รู้จักทําใจให้สงบเย็นมันก็ทําได้ไม่นานทําไปแล้วก็ท้ออุปสรรคเยอะบางคนท้อแท้ถึงขั้นฆ่าตัวตายบางคนยอมแพ้นะก็ละทิ้งอุดมการขายเนื้อขายตัวอันนี้ก็มีเยอะเพราะว่าพ่ายแพ้ต่อกิเลสพ่ายแพ้ต่อ สิ่งยั่ว au, นะเยาเลิกแล้วอุดมการณ์อุดมคติไม่เอาละบงองครั้บอกนักการเมือบา ง, องบอกว่าเอาอุดมคติเก็บใส่ลิ้นชักซะเพราะว่า ท, ทําเท่าไหร่ก็ไม่รวยหรือว่าทําเท่าไหร่ก็ไม่สําเร็จนะอันนี้เลยเพราะว่าไม่ได้ทําจิตนะนะถ้าทาจิตเป็นนี่มันก็จะจะสู้ได้อย่างต่อนเนื่อง จะทำเป็นจะทประโยชน์ได้อย่างไม่หวั่นไหวท้อแท้อย่างคานทีเนี่ยติดคุกไม่รู้กี่สิบครั้งคงไม่คงไม่ ห, หลายสิครั้งปนระมาณไม่เกินยี่สิครั้งนนะก็เยอะนะแต่เขาก็ไม่ถอยนะก็ยังสู้อยู่นะเพราะทำติดด้วยเวลาเข้าคุกในคานธีก็บอกลรกสิตว่าเนี่ยให้เข้าคุกเหมือน เจ้าบ่าวเดินเข้าเรือนหอเจ้าสาวนะการที่บอกนะลูกศิษย์นะจงเดินเข้าคุกประหนึ่งเจ้าบ่าวเดินเข้าเรือนหอเจ้าสาวโอ้อย่างงี้ก็ใครๆก็อยากเข้าเนี่ยนะไปไปเข้าคุกเสือก็ปฏิบัติธรรมในคุกนะไม่ได้ทุกข์ร้อนเลยนะเมื่อแล้วเสือว่าโอ้ทาไมเราทําความดีต้องมาต้องมาเจอแบบนี้นะ ถ้าเราทำจิต ด, ดีนะอุปรสรรคก็กลายเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือว่ากลายเป็นของดีไปนะี่เราถ้าหาว่านี่คือจุดมุ่งหมายของชีวิตเรานะเราก็พยายามเดินธรรมยถาตาเพื่อให้มันกลมกลืนเข้ากันกับหรือไปด้วยกันกับจุดมุ่งหมายที่ว่ากคือว่าการที่เราเมาเดินเพื่อ สร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมให้กับโลกแล้วก็บำเพ็ญตนรักษาใจให้สงบเย็นด้วยก็ไม่ไม่พยายามปล่อยใจให้มันจมอยู่ในความทุกข์หรือว่าไม่ไปยึดไปแบกอารมณ์ความคิดที่มันบันทอนจิตใจ อยาพูดไปแล้วนะว่ า, าการที่เราปล่อยใจไปคิดถึงอนาคตข้างหน้าไปคิดถึงจุดหมายปลายทางข้างหน้าเนี่ยมันเป็นตัวบันทอนจิตใจเรามากเลยแล้วก็ซ้ําเติมร่างกายด้วยให้หนักขึ้นเพราะว่ามันจะเอาแต่บนว่าเมื่อไหรจะถึงเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหรจะพัก ใจที่บน่นใจที่วอยวายบางทีมันก็ไม่ได้บน่นวอยวายเรื่องจุดหมายปลายทางหรืออที่พักนะมันก็บน่นวอยวายเมื่อเจออาหารที่ไม่ถูกใจบ้างละนะหรือว่าเมื่อเจอแดดที่ร้อนเนะี่ไม่ทันจอกเดินเลยเห็นแดดจ้านี่ก็บ่นแล้วทำไมไม่มีเมฆเลย ว, วะนะหรือว่าเห็นทางไกลนะก็บน่นละ ใจที่บ่นนะใจที่วอยวายนี่แหละนะคือการซ้ำเติมตัวเองถ้าเราลองหยุดบน่นแล้วก็ยอมรับนะเออมันเป็นอย่างนี้แหละนะมันคือความจริงที่ไม่ีไม่พ้นบ่นไปก็ไร้ประโยชน์ <c oughs> สู้เดินหน้าเขาหามันดีกว่าเดินหน้าด้วยใจที่เป็นปกติเท่าที่เราจะทำได้เพียงแค่หยุดบน่นหยุดวอยวายนะมันช่วย ช่วยใจช่วยกายเราได้เยอะเลยนะเป็นเพราะเราชอบบน่นชอบโวยวายเนี่ยเราถึงไม่มีความสุขแม้เวลาอยู่ในยกลับไปบ้านนะอยู่ในกรุงเทพนะรถติดก็บ่นนะแอแอในบ้านเย็นไม่ถึงที่ก็บนนะ่นคอมพิวเตอร์บูชานี่ก็บ่นนะ หรือว่าโหลดช้านะก็บนแนะม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆล้วก็บนบบนบนแล้วนิสัยอะไรที่เราใช้นะหรือมีนะที่กรุงเทพที่บ้านของเราเราก็เอามามาใช้ที่นี่ซึ่งก็ยิ่งทำให้เราทุกข์มากขึ้นแต่ว่าถ้าเราลองพยายามนะเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนจิตใจตัวเอง เริ่มจากการที่ยอมรับทุกอย่างที่มันเป็นเพราะเห็นว่าบนไปก็ไม่มีประโยชน์หรือเพราะเห็นว่ามันคือความจริงที่เราต้องเผชิญเอาแค่เนี่ยเป็นเป็นเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยมันจะช่วยทำให้ใจเราเนี่ยทุกน้อยลงไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักห้องน้ำนะทางเดิน ดินฟ้าอากาศหรือว่าเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมกลุ่มนะเราลองสังเกตใจเราว่ามันบ่นแล้วยังนะพอมันบ่นแล้วเออวางมันลงซะกลับมายอมรับสิ่งที่เป็นอยู่หรือกลับมามองว่าเออมันก็ดีนะมันมามันช่วยฝึกความอดทนของเรานะมองทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ให้ให้เป็นของดีซะมันก็ทำให้เรายอมรับมันได้ง่าย ด้วยเหมือนกันนะมองว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรามันก็ดีทั้งนั้นดีมาที่มาช่วยฝึกใจเรานะให้เข้มแข็งให้อดทนฝึกให้เรารู้จักปล่อยรู้จั ก, กวางฝึกให้เรานะรู้จักยอมรับความจริงที่อยู่ต่อหน้ายอมรับไม่ได้แปลยอมแพ้นะ ยอมรับไม่แปลว่ยอมแม้เช่นเจ็บป่วยเนี่เออเราก็ยอมรับว่ามันป่วยเราไม่บน่นไม่ติโพยติพายซึ่งก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยมีมีอารมณ์หรือมีเวลาที่จะมาไต่ตรองแก้ไขปัญหาว่าจะไปรักษาที่ไหนดีจะไปหาข้อมูลที่ไหนเพราะถ้ามันบ่นวอยแล้วเนี่ยมันไม่มันไม่ไปไหนนะ ใจที่บ่นวอยวเนี่ยมันก็จะไม่ทำอะไรปล่อยให้เวลาเสียไปโดยเปล่าประโยชน์แต่พอเราหยุดบ่นนี่ก็จะเริ่มขยับนะว่าเออจะหาทางออกอย่างไรจะแก้ปัญหาอย่างไรสังเกตไหมเวลาเราบ่นเนี่ยมันเราไม่มีอะไรงองเงยขึ้นมาเลยจะไปก็ไม่ไปจะทำอะไรก็ไม่ทำเอาแต่บน่น แต่พอเราหยุดบนปุ๊บเนี่ยโอ้มันเราสามารถจะทำอะไรได้เยอะแยะเลยยอมรับไม่ได้แปลว่ายอมแพ้นะเราก็แก้ปัญหาเท่าที่แก้ได้แต่ถ้ามันแก้ไม่ได้จริงๆเช่นของหายไปแล้วเสียไปแล้วก็ต้องยอมรับนะ้วก็ตัดใจหาใหม่ดีกว่านะ ก็ลองฝึกดูนะเรามาฝึกนะทำจิตและทําจิตไปพร้อมๆกันเรามาเดินมันเป็นประโยชน์แล้วก็ลองฝึกใจให้สงบเย็นนะนะพลิกไทยพยายามพลิกฟื้นไทยให้ชุ่มเย็นแล้วก็พยายามฟื้นฟูใจให้สงบเย็นด้วย น, ะนั่นนี่แหละจะทําให้การเดินธรรมะตาของเรานี่มัน เรียกว่าเกิดประโยชน์ครบถ้วนชานี้ก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้น ะ, ะครับะ